พันษาดุชนพุทธบริษัททั้งหลายยามเช้าวันนี้ก็ามาปรารบกันถึงบา ร, รมีที่สองคือศีลและบา ร, รมีวันก่อนได้พูดถึงทานบา ร, รมีมาลแล้วก็ได้ว่าขอมนรดายท่านพุทธบริษัทจงอย่าลืมคำว่าบา ร, รมีนี่แปลว่ากำลังใจ <c oughs> มือดีอ ง, งสมเด็จไจอมไตรบรมศาสตสันด า, าสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าท่านที่มีบารมีเต็มแล้วย่อมเป็นพระอรหันต์ได้เมื่อเข้าถึงพระนิพพานก็จึงเข้าใจว่าคำนี้พระพุทธเจ้าหมายถึงว่าท่านหลายมีกำลังใจเต็มที่จะส่งสีนั้นบารมีให้ครบถ้วนคำว่าสี แปลว่าปกติ <c oughs> บารมีแปลว่าเต็มสินั่นขอมันดาท่านพุทธบริสัทจงรักษาความปกติให้เต็มครบถ้วนบริบูรณ์เนี่ยแต่มาจะไม่พูดทางลักษณะของศีลทั้งหมดจะพูดเฉพาะศีลห้าประการแต่ ว, ว่าทั้งนี้ขอบันดาท่านประโยคคาวาจรทั้งหลาย นี่ปฏิบัติรพื่กรรมฐานหรือหวังดีตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จไปชินาสีบรมศาสนดาสมมาสัมพุทธเจ้า <c> ก <oughs> ็จงเข้าใจว่าคำว่าสีนี่แปลว่าปกติแล้วก็ปกติท่านปฏิบัติอยู่ในสินประเภทไหนเป็นสิน5ห้ก็ตามสิน1ิก็ตามสินไปก็ตามสินสองร้อยี่สิบเจ็ก็ตาม จงรักษาความปกติของศินประเภทนั้นไว้ให้ครบถ้วนอย่าให้ขาดตกบกพร่องฉังนั้นสินยึงแปลว่าปกติในบริการหนึ่งคำว่าสินแปลว่าปกตินี้เท่ากับปกติคนก็ดีสัตว์ก็ดีมีความพอใจตามนั้นนี่ขอให้สร้างความเข้าใจตามนี้เอ้าไว จะขอพูดเรื่องคำว่าปกติของศีลให้ฟังจะได้ง่ายต่อการปฏิบัติเอาเฉพาะศีลห้าจัดว่าเป็นศีลที่อันดับต่ำที่สุดศีลห้านี้ปกติเข้าบุคคลที่เป็นปุถุชนคนธรรมดามีความต้องการกันแม้แต่สัตว์ปีไรฉายก็ต้องการศีลห้าท่านอาจจะแปลกใจ ว่าทำไมอาตมาจึงพูดอย่างนั้นอาจจะบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยเทศอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าฟังกนันไปก่อนบรญดาท่านพุทธบริษัทก็ายามนี้เป็นยามปฏิบัตกะกะกะิกรรมฐานไม่ถึงยามที่เราพูดกันพูดคุยกันตามปกติถ้าพูดคุยกันตามปกติก็จะแก้ให้ฟังอีกอย่างหนึ่ง เห็นว่าเป็นของหน้าคิดแต่เ้ว่าเวลานี้เราใช้จิตเป็นสมาธินี่ก่อนเรี่จฟังฟังเรื่องศีลหรือกำลังฟังอยู่ก็จงคิดไ้เสมอว่าท่านจะต้องตายท่านจะต้องป่วยไข้ไม่สบายท่านจะต้องพรัดพราจากของรักของชอบใจ ท่านมีความตายเป็นที่สุดนึกไว้เป็นปกติและก็จงคิดไว้เสมอว่าขอเกิดครั้งนี้เป็นครั้งแรกถ้าตายแล้วเราไม่ต้องการเกิดอีกอย่าปราถนาการเกิดการที่เราจะไม่เกิดได้เพราะหนึ่งเรามีทายครบพุ่นบริบูรณ์แล้ก็สองมีสินครบพุ่นบริบูรณ์นี่คำประสินแปลว่าปกติจะพูดให้ฟังโดยย่อ ว่าปกติของคนก็ดีสัตว์ก็ดีไม่ต้องการให้ใครมาทำร้ายร่างกายและก็ไม่ต้องการให้ใครมาทำลายร่างกายถึงกับเส้นชีวิตนี่ขอให้ท่านนั่งหลายถือความรู้สึกของท่านเป็นสาคัญว่าตัวท่านเองน่ะมีความรู้สึกอย่างนี้บ้างหรือเปล่า แต่หากว่าท่านต้องการให้ใครเข้ามาฆ่าให้ท่านตายแล้วก็โปรดแจ้งให้ทราบด้วยจะได้ช่วยส่งเขาให้เร็วเข้าถอาการท่านต้องการให้ใครเขาทรมานบีคั้นร่างกายท่านให้เจ็บปวดมีทุกขเวทนาอย่างหนักก็ <c oughs> โปรดให้แจ้งให้ทราบด้วยเสียงถ้ามันไม่ดีก็โปรดทราบแล้ววันที่บันทึกนี่เป็นวันที่แปด กันยายนพศ .2518 กำลังป่วยไข้ไม่สบายไ <c oughs> ร้สายที่มีความเคารพในธรรมห่วงใยบรรดาท่านพุทธบริษัททติทั้งที่กำลังป่วยไข้ไม่สบายอยู่ก็พยายามมาพูดให้ท่านฟังแต่การพูดให้ฟังก็พอได้ปวืคิดว่าเป็นถ้อยคำของพุทธสาวกเท่านั้น เดวลีลาสม่ำเสมอเรียบร้อยละเอียดอ่อนเหมือนพระพุทธเจ้าไม่ได้ในบริการที่สองท่านมีทรัพย์สมบัติอยู่แล้วท่านต้องการให้ใครมายื้อแย่งทรัพย์สมบัติทางหรือเปล่าเอาตัวของท่านเอาใจของท่านเป็น บ, บริกันเอาไปเครื่องยอมรับหมายความว่าตัวของท่านนี่แหละเป็นตัวยืนเอาจิตใจของท่านเป็นจิตใจ ย, ยืน ท่านมีวัพถุสมัติท้งหลายต้องต้องการให้ใครเข้ามารักเข้ามาขโมยมายื้อมาแย่งมีบ้างไหมเคยคิดว่านะเปล่าไม่มีแต่คนไม่ไร้สติเขา ต, ตอบว่าไม่มีฉันหามาลำบากนักคนที่เรารักเราต้องการให้ใครเขามายื้อแย่งความรักของเราไหม นี่ยามปกติถ้าเราจะพูดเป็นยาเป็งานเป็นการแล้วต้องการให้ใครเข้ามาโ ก, กหกมดเทศเราบ้างหรือเปล่ายามปกติเราต้องการให้ชาว บ, บ้านเขาเห็นว่าเราเป็นคนบ้าไหมไม่มีตอบได้อตมาพูดเองตอบเองตอบได้ตอบแทนท่านนี่ส่วนใหญ่กำลังใจของเรานอกจากว่าจะมีประสาทเทวจิตหรือผิต ยิ่งจะคิดฝืนอารมณ์ทั้งห้าประการนี้ในอารมณ์ทั้งห้าประการนี้ทั้งคนและสัตว์มีความปรารถนาเสมอกันที่คนเรามีความรู้สึกว่าสัตว์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของตนนี่คิดด้วยความโง่เท่านั้นไม่ใช่ความฉลาดอาตมาเขาพูดตรงไปตรงมา ถ้าสัตว์เป็นเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของเราเวลาที่เราเดินเข้าไปหามันมันก็ต้องรีบเดินเข้ามาหาเราเต็มใจให้เรากินมันเป็นอาหารและฆ่ามันมาเพื่อเป็นอาหารของเราแต่เดาว่าสัตว์ทั้งหลายไม่มีความคิดอย่างนั้นในเมื่อเราจะไปจับมันมันก็วิ่งหนีปลาก็ว่ายน้าหนีถ้าจั์น้านกก็บินหนี สัตว์เดินดิ้งก็เดินหนีสัตว์เลื้อยคลก็เลืยหนีอาการที่หนีนี่แสแดงว่าเขารักชีวิตของเขาเขาไม่ต้องการให้เราไปทําลายชีวิตของเขามีความรู้สึกขอคนและสัตว์มีความรู้สึกเสมอกันมีความต้องการต้องการแบบนี้เท่ากัน <c oughs> รวมความว่าปกติคนและสัตว์มีความประสงค์ในกฎทาาบริการเท่ากัน นีพระพุทธเจ้าจึงเรียกกฎห้าบริการนีว้นว่าศีลแปลว่าปกติคือว่าเป็นปกติที่คนละสัตว์ทั้งหมดต้องการคือไม่ให้ใครมาต้องมาทําอันตรายกับเราแบบนั้นไม่ต้องการให้ใครก็มาฆ่าไม่ต้องการให้ใครเข้ามาทําร้ายไม่ต้องการให้ใครเข้ามารักของขโมยของยื้แย่งของทรัพย์สินไม่ต้องการให้ใครมายื้แย่งความรักไม่ต้องการให้ใครโกหก ไม่ต้องการให้เราใครเขาถึงว่าเราเป็นคนบ้า <c oughs> คําว่าคนบ้านในที่นี้ก็ได้กับการดื่มสุรามีไรของเหมือนเมาเอาการที่เหมือนเมาเข้าไปแล้วบรรดาทลันหลายมันก็ไม่ต่างอะไรจากคนบ้าดีไม่ดีใครสัตว์สี่เท้าซิี่นอนมืนสัตวสี่เท้ามีอาการมืนสัตว์สีเท้าก็ยังทําได้นี่ สิ่งตั้งหลายเหล่านี้มันไม่ใช่ปกติปกติเขามนุษย์แปลว่าใจสูงไม่ต้องการอย่างนั้นมี่พูดถึงว่าศีลนีลธรรมีถ้าเป็นพระเป็นเลนในรูปรักษาโบสถก็ทรงอาการอย่างนั้นให้เขาทนบริบรูรณ์ให้มันเป็นปกติ <c oughs> นี่การรักษาศิลให้เป็นปกติทํายังไง ในอุทุมพดีกาสูตรธงสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาจงใจกับมิโครทัปรีพาชกว่าสาวกของเราจะไม่ทำลายศีลได้ตนเองไม่แนะนำให้บุคคลอื่นทำลายศีลแล้วก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้ว อาการอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทใจของท่านทรงได้แล้วหรือยังนี่ถ้าจะมาถามว่าปฏิบัติสินแบบไหนเป็นปรมัตถสินจะเข้าถึงพระนิพพานได้ <c oughs> ถ้าเราตอบกันไปแบบเล่นสมนวนก็ตอบกันได้แบบสบายๆเ ม, มื่อไรมันก็ไม่จบ <c oughs> ถ้าเรามาสรุปตามแบบฉบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่ดใจกับนี้เท้ปรีพาชกว่าเราแนะนำบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของเราในนั้นท่านเรียกกันว่ายามสี่คือไม่มีปานะไม่มไม่มีสุราก็าเวลานี้เรามาเทียบกันได้กับสุร า, ากับสินห้าคือว่าหนึ่งสาวกของเราจะไม่ทำลายสินได้ตนเองเราแนะนำแบบนี้ เมื่อเธอจงอย่าเป็นผู้ทำลายศีลได้ตนเองเธออยายุยงส่งเสริมให้บุคลลลบคลอื่นทำลายศีลแล้วก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วเราสอนแบบนี้สาวกของเรารับฟังและปฏิบัติตามเราจรึงได้กัดผลและสาวกของเราจรึงยอมรับผลว่าได้มักได้ผลสมความปราถนา ให้ว่ากันโดยใจความเป็นภาษาไทยไม่ถามว่าบรรดาท่านพุรรทธวิสัชน์หลายถามว่าจะรักษาศีลอย่างไรอย่างไหนจริงจะเข้าถึงพระนิพพานได้ก็ขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัตทยึดถึงข้อนี้เขาไว้แบบนี้นี่แหละสามเบราการไม่ทําลายศีนเองจําให้ดีแล้วก็จําไว้ว่าศีนของเราจะมีชื่อว่าอย่างไงบ้าง มีกี่สิข่ขาบทเจ้าแบบะบับพระที่บวดเข้ามาในพระพุทธศาสนาแต่ไม่รู้จักหน้าของศีลพอพูดกันถึงเรื่องะธรรมวินในปวดหัวเต็มทีกลุ้มใจอยู่ไม่ได้แล้วไม่ได้สำนักนี้วัดนี้ส ม, มาคมนี้เคร่งคัดเกินไปฉันอยู่ไม่ได้ ไม่ไหวแล้วนี่กดข้อบังคับมันมากเหลือเกินนี่ท่านที่ไม่มีศีลเป็นเครื่องปฏิบัติท่านมีความรู้สึกแบบนี้แต่สำหรับท่านที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาสนายก็ดีเป็นสาวโกโอองสมเด็จพระจินทรสีเป็นคาราวะก็ตามเป็นในก็ตามให้ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นปฏิบัติศีลบริสุทธ์ พระนเรศตอบว่าทําไมสมัคิสาสันนักนี้ยังย่อหย่อนเกินไปนะักอะไรมาเขี่ยวเข็งกันพูดกันอยู่ได้เฉพาะศีนเนื้อมีหนมันเป็นของ ก, กล้วยๆของง่ายๆไม่น่าจะมานั่งสอนกันไม่น่าจะมาพูดกันควรจะพูดะจะแนะนําอารมณ์ให้มันดีไปกว่านี้นี่ถ้าเอากันแต่ศีนเพียงเท่านี้เราจะมาอยู่ที่นี่ทําไม เราจะมานั่งรับคําสอนอยู่ทำไมก็ไม่ของปกติธรรมดาเราเกิดมาเราก็ต้องการสินอยู่แล้วแต่ถ้าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทนี่ท่านที่มีสินปวติมีอารมณ์สมบูรณ์บริบูรณ์ในด้านสินท่านมักจะตัณห์เรื่องศีลถ้าเราสอนย้ํากันเรื่องสินบ่อยๆท่าก็จะหาว่าสํานักของเรามีย่อหย่อนเกินไป ทานฟังอย่างนี้ถ้ามีความรู้สึกยังไงบ้างเวลานี้ท่านดังหลายสตำรวจตรวจแล้วได้ ย, ยังว่าสินห้าของท่าครบไหมสาาําหรับครวัตถะท่านดังหลายที่ประกาศตนนักสาวโบสถ์สินสินแปดของท่งครบโวนบริบูรณ์หรือเปล่าสําหรับสมณเณรสินเอ่อสินสิบและสิบข้ามหมดคือเสถียวัดอียิปต์สินห้าครบถโวนบริบูรณ์ไหม สำหรับภิสุที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าเป็นตะสีข้าหมดสองรอยี่สิบเจ็ดสมบูรณ์ไหมถ้าสมบูรณ์ไม่บกร่องก็ยังดีไม่พอในส่วนที่เป็นอภิสมาจารย์ยังมีอีกมากต้องศึกษาให้ครบถ้วนแล้วจิตใจของท่านมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ในเรื่องสิ่งนี้เปล่า นี่บาร ม, มีในข้อนี้พูดกันเรื่องเรื่องศีลอย่างเดียวพยถามว่าปฏิบัติศีลแล้วก็มีอะไรควบคุมด้วยไหมก็ต้องบอกว่ามีไยถามว่าถ้าเราปฏิบัติอยู่นในศีลนะบาร ม, มีเนี่ยถ้ามีกำลังใจควบทนมนะมีทานแนละบาร ม, มีควบด้วยหรือเปล่าอาตมาก็ต้องตอบว่ามีมีก็คืออภัยทาน เพราะคนที่จะมีศีลได้ต้องมีเมตตาและมีกรุณาทั้งสองประการเราก็มีทานให้คืออภัยทานให้อภัยแกบคุคคลผู้ผิดเขารู้เท่าไม่ถึงการเว้นไว้แต่ว่าบคุคคลผู้มีเจตนาปฏิบัติผิดะว น, นัยและกฎระเบียบข้อบังคับ อย่างนี้เป็นกฎข้อบังคับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางไว้พระองค์ก็ยังทรงลงโทษพุทตบริษัตถ้าผิดแบบนี้เราไม่ให้อภัยเพราะเรามีความรักในเขาเรามีความสงสารในท่านผู้นั้นถ้าไม่ลงโทษตามระเบียบอิไนไนก็จะปล่อยเขาเลวเกินไปเป็นอันว่าเราไม่รักตารคติโบราณท่านบอกว่ารักอวให้ผูกรักลูกให้ตี ท่านว่าอย่างนั้นถ้าวัวของัวควายของเราถ้าไม่ปลูกไว้มันก็จะอดหญ้าตายนั้นดีไม่ดีผู้ร้ายก็ขมโมยไปอไปฆ่าเนื้อไปทรมานก็จัดว่าเป็นการไม่รักวัวและควายถ้ามีลูกหญิงลูกชายแเราปล่อยให้เหลิงกันไปตั้งแต่เด็กพอโตแล้วเอาไม่ไหวก็สแสดงว่าเราไม่รักลูกลูกเลวเราจะมร้อนใจอะไร นี่ครับว่ารักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้ามาอย่างนั้นถ้าก็ผิดแล้วเบียบอินในเราก็ต้องลงโทษแต่หากว่าถ้าเป็นความผิดอย่างอืน่นที่ไม่เสียหายเราก็ให้อภยัยจัดเนภาภัยทานนี่แล้วสาสินล้วก็มีทานในด้านเน่ฆัมมะเน่ฆัมมะนี่เขาเรียกว่าไม่มีการพยาบาทไม่โกรธไม่พยาบาท ในเมื่อศีลลวมีเมตตาเส็จน่ห์ตัวโกรธตัวพยาบาทที่มันเนื่องไปได้กินเหล็กมันจะมีขึ้นมันได้ยังไงมีแล้วรักษาศีลแล้วก็มีเนคธรรมบารมีมันรวมตัวกันพยาถามว่ารักษาศีลมีปัญญาบา ร, รมีครบเลยไหมก็ตอบได้ง่ายๆแบบคนงโง่อะมันมีใครเขารักษาศีลคนที่ทําลายศีล้นไม่ใช่คนฉลาดเพื่อสร้างความเดือดร้อนให้ตัวตน มีคนที่รักษาศีลได้ครบถ้วนบริบูรณ์ก็เป็นคนมีปัญญาบา ร, รมีอยู่แล้วไม่อยากไม่เห็นอะไระยากถ้าจะถามว่ารักษาศีลศีลบา ร, รมีนะมันมีวิทยะบา ร, รมีตามไหมหรือเปล่าก็ต้องตอบว่ามีวันนีสัยเดิมของเราเป็นคนใจโหดร้ายชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต คิดมันสัตว์เป็นอาหารของเราเรางดเว้นเถต้องหักข้ามอารมณ์แบบนี้เป็นต้นเราเคยยิงเนื้อยิยงสัตว์ยิยงทำลายชีวิตสัตว์ทำลายร่างกายบุคคนอื่นเรางดไม่ทำแทนที่จะใช้ความโหดร้ายเข้ามาประจาใจแล้วกลับมีเมตตากรุณาคือความรักความสงสารมาประจา ปืนอารมเดิมหักท่ามารมเดิมเขาไว้ก็จะทำได้มันต้องใช้เวลานี่ต้องใช้วิทยาความเพียรถามว่าขันติปรมีล่ะโอ้ก็การอดกลั้นยังไงล่ะสมมติว่าท่านนงหลายที่อยากจะกินเหล้ามัสุราเนี่ยเคยกินเหล้ามัสุรามันแล้วรักษาสินยากแย่สินบริสุทธิ์มันมีความอยาเข้ามาก็ต้องอดเขไว้กลั้นเขไว้คิดว่าเราจะเอาดี หรือว่าคนนี้ชอบเจ้าชู้ลูกเขาเมียใครหัวเขาเมหัวใครไม่เลือกชอบใจสัมผัส ด, ดะเราก็ต้องใช้คติบรารมีว่าเวลานี้เรารักษาศีล น, นี่เป็นอนันวามีทุกสิ่ขาบทต้องใช้ใช้คติเราควบใช้วิดยาใช้ปัญญาอนนี้สัจจะหละถามเออ ถ้าเราปฏิบัติศีลบารมีอย่างเดียวสัจจะบารมีจะมีด้วยหรือเปล่าสัจจะนี่แปลว่าวความจริงตั้งใจไว้โดยเฉพาะเราเป็นคนจริงเราไม่ใช่คนหลอกเราจะรักษาศีลจริงๆเราไม่ได้ ส, า ส, าสักษาศีลหลอกๆ เราก็ต้องมีความจริงว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติกิดในกาไม่พูดมุสาวาสไม่ดื่มสุรามีไรเราต้องมีความจริงใจว่าเราจะไม่ทำเองด้วยเราจะไม่ยุโยนเอิงเขาทำและจะไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นเขาทำแล้วตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสัจจะคือความจริงตัวนี้ต้องทรงอยู่เป็นปกติถ้าขาดสัจจะมลไรสินพังเมื่อนั้น เห็นได้ยังว่าสัจจะบา ร, รมีก็มีตอนนี้ถ้าอย่าถามว่าถ้าจะเดินสินนบา ร, รมีแล้วอธิษฐานนาบา ร, รมีมีไหมอธิษฐานนี่มันตัวตั้งใจไว้แต่เดิมในบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ความตั้งใจไม่ทรงอยู่เปลี่ยนแปลงมาไหลสินพังเมื่อนั้นก็อยคิดว่าไม่เป็นไรอย่ากินเหล้าสักะเดี๋ยวโคลาเสีย น, นิดหนึ่งเห็นไหม เวลานี้เราต้องการประโยชน์ขอโกหกสักนิดเถอะลาสินก่อนนี่ถ้าไร้อดิฐานและบรารมีมันเป็นอย่างนั้ น, นอดิฐานแบรารมีตัวตั้งใจเดิมต้องส่งไว้ว่าเราจะเป็นคนที่มีศินบริสุทธิ์มันต้องมีอดิฐานเมตตาบรารมีไม่ต้องพูดกันแต่การท่งสินต้องมีเมตตาอยู่แล้วถ้าไม่มีเมตตาสินไม่มี โอเบขาบารมีต้องมีไมมละเวลาที่เราจะรักษาศีลก็ขอตอบได้ว่าโอเบขาบารมีมันต้องมีสิอย่างเชนิดเดียวกว่าเราไม่ทำร้ายเขาแต่เขาตั้งแกล้งเราเราคงอดเว้นใจไม่อยากจะสู้ใจไม่อยาก จ, จะสู้เขาใจไม่อยากจยำลายเขาต้องใช้คติความอดทนวิริยะคุมเขาไว้ปัญญาเขาห้ามปราม จะจะทรงตัวเขาไว้บกไปได้แล้วตั้งใจไว้แล้วอธิษฐานสรงติดเไว้บัปปะหลักนิ่งไว้แล้วอย่าทำเขาไม่ได้อุเบกขาเลยต้องพยายามทรงตัวยืนเฉยเข้าไว้อะไรมันจะมาที่มันจะเป็นอันตรายเป็นเครื่องทำลายศสถเรายืนเฉยเข้าไว้เฉยทําไมเพราะเราต้องการพระนิพพานเราไม่ต้องการความเกิดอีกเราจะปิดกั้นความเกิด เราต้องมีอุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ความจริงในด้านบารมีนี่เป็นตัวสูงมากแต่เราจะไว้พูดเพงในคราวหลังในทางด้านบารมีอื่นบารมีที่จะพูดกันมากก็คงไม่มีกี่บารมีนะักนี่เราก็จะเห็นได้ว่าการบเป็นบารมีอย่างใดอย่างหนึง่งก็ต้องมีบารมีเก้าอย่างมาประกอบเข้าเป็นเครื่องประดับ แลยก็เครือ่อนประคับประคองหมดทั้งเก้าอย่างรวมไปสิบอย่างด้วยกันเราจะว่าบรรดาท่านผู้ตบ ร, ริษัททุกท่านอาจจะหนักใจว่าจะทำได้ยังไงเราจรึงจะทรงบา ร, รมีสิบเรศการก็ทนการรับฟังที่บรรดาท่านพุทตบ ร, ริษัทเพื่อการบันทึกเสียงให้ฟังนี่บันทึกไว้จะได้ฟังบ่อยๆฟังให้ไม่ขึ้นใจ เวราการที่เรามีศีลบริสุทธินั้นเป็นบันไดให้เข้าสู่พงผพานแต่ตว่าถ้าเราไม่มีบา ร, รมีสิบรายการเราจะไปยังไงได้นี่เป็นอันว่าบรนไดท่านพุทธมริตต์ท่านหลายที่มีความเข้าใจว่าบา ร, รมีของเรายังไม่พบไม่ทวนยังบกพร่องหรือ <c oughs> ว่าเราเป็นคนไม่มีบา ร, รมีเลย <c oughs> ก็จงทราบว่าบา ร, รมีนั่นมีอยู่ องสมเด็จพระบรมครูไม่ได้กีดไม่ได้กันเรื่องบารมีทุกคนมีบารมีได้พระพุทธเจ้าก็ทรงแจกบารมีให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทคำไม่แจกแก็หมายถึงว่าการแนะนําไม่เชยกบารมีส่วนตัวมาแจกกบรรดาท่านพุทธบริษัทนี่มันแจกกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นกําลังใจของแต่ละคน มีหลายท่านเด็กกันบรรดาท่านทั้งหลายเคยมาหาอาตมามื่อย่างจะขอบา ร, รมีให้ช่วยสงเคราะห์ให้ตัวของท่านดีขึ้นแต่เพื่อความสุขใจของท่านบุญนันอาตมาก็บอกว่สาทุดีแล้วอาตมาจะสงเคราะห์ในการแบ่งปันบา ร, รมีให้ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าทำได้รบรรดาท่านพุทธบริษัท เพื่อเป็นการรักษากําลังใจของท่านผู้พูดความจริงบารมีมาอยู่ที่ตัวท่านแล้วแต่ถ้าว่าคนเราถ้าขาดกําลังใจที่อย่างเดียวทุกอย่างมันก็ทําไม่ได้ถ้าท่านหลายผู้นั้นยังมีความรู้สึกอยู่ว่าตัวท่านเองเป็นทุกู้ไม่มีบารมี <c oughs> คนก็เยยขาดกําลังใจ ในเมื่อท่านมาขอบารามีก็บอกว่าเอาให้สงเคาะให้เต็มใจให้รับคนแล้วกันอาตมารพร้อมที่จะมอบให้เสมอเวลามอบให้ท่านก็คือมอบกาลังใจเพราะว่าถ้าเราไม่ให้กำลังใจพวกท่านพูนั้นท่านพวนั้นก็จะไม่ทรงความรู้สึกว่าท่านมีกำลังนี่เมื่อรับฟัง อ, อย่างนั้นแล้วท่านอาจจะคิดว่าอาตมาใม่ช่วยได้ สามารถจะสงเคราะห์ให้ท่านเป็นผู้มีบา ร, รมีสูงสุดได้ก็จะเกิดกำลังใจขึ้นมาว่าเราได้พระช่วยแล้วนี่ระบรรดาท่านพุทธบริสัทธนน์ะนหลายถ้าเคยฟังมาก็อาจจะคิดว่าอรตมานี่ก็เป็นผู้แจกบา ร, รมีได้เก่งแต่คงจะไม่เป็นเท่า น, นั้นมีจะมีหลายท่านด้วยกันมากัน บางทีหลายๆท่านมัาจะมาทามาทำไมบอกก็ว่ามาชมบา ร, รมีใ <c> น <oughs> คำนี้บัรดาท่านพุทธบริษัทฟังแล้วก็ไม่สะดุดใจอะไรแต่แต่ว่าท่านหลายเราคิดกันใหม่ดีกว่า <c oughs> บา ร, รมีของใครไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่บา ร, รมีของเรา ถ้าเราเราตั้งใจจะเป้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นิพพานแล้วก็สร้างบา ร, รมีของเราให้ครบถ้วนคือกำลังใจตั้งใจไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้พูดเฉพาะสินนบา ร, รมี <c oughs> เราพยายามทรงสิ่เของเราให้บริสุทธิ์เรามัจะวางทุกสิกขาบทอย่าลืมว่าท่านเป็นปุตุชนคนธรรมดา มีสินห้าต้องบริสุทธิ์ถ้าทัานยังบอกว่าจำเป็นจะต้องละอย่างน้อยข้ามอย่างนี้ก็ถือว่าท่านไม่พร้อมที่จะแสวงหาความดีท่านธีรเสาวโบสดเป็นเป็นสมนเลนเป็นมิสุจงถือสิขาบทท้กสิขาบทดิ่งกว่าชีวิตจงคิดว่าถ้าระบบค่องในสิกขาบทใดสิขาบทหนึ่งนั่นคือสิ่งหี่าพังไปแล้ว เราเองก็ถือว่าไม่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบัณีิแก้วบรมศาสัญดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแจเป็นยังไงละบัรดาท่านพุทธบริษัทพระรา่าฝืนพระพุทธบัญญัติที่องค์สมเด็จประทรงสมบัติดีโสภาคให้ปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสีนี่เป็นกฎข้อบังคับ ว่าเราจะต้องทําถ้าเราไม่ทําแล้วเราจะทรงตัวเป็นพุทธสาวกไม่ได้ถ้าสรุปรวงความแล้วหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทรงกําลังใจสามรื่การครบถ้วนคืนหนึ่งเราจะไม่ทําลายศีลได้ตนเองสองจะไม่ยุยงส่งเสริมให้บคุคคลใดทําลายศีลสาม จะไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายสินแล้วเท่านี้เป็นที่พอใจเขาองสมเนตเด็ดพระเวทีแก้วบรมศาส์สันดาสมาสัมพุทธเจ้าจีว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททางหลายเป็นผู้มีสินและบารมีครบถ้วนเต็มจำนวนที่พระพุทธเจ้าตองการ ถ้าท่านมีสิ่งครบพโวนบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก็ชื่อว่าท่านเป็นผู้เข้าถึงสารณาคมตามนิยมของพระพุทธศาสนาคนประเภทนี้จะลงอบายภูไม่ได้อย่างเลวก็เกิดเป็นมนุษย์แต่ว่าเป็นมนุษย์ชั้นดีมีรูปร่างหน้าตาสวยมี มีแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดมีทรัพย์สมบัติเยอะเก่งมีคนก็อยู่ตั้งอยู่ในโอวาท <c oughs> บริวารตั้งอยู่ในโอวาทถ้ะมีวาจาเป็นสัตว์คือมีวาจาเป็นทิพย์พูดอะไรใครก็ชอบไม่ขาดสติสัมปชัญ ญ, ญอะอรบรรดาท่านพุทธบริษัทว่ากันมาทังเรื่องสิ่งน่าการประกอบของบรมีเองกับจิงก็พอสมควรแก่เวลา แต่แบบวันนี้ก็ข อ, อยุติเรื่องสินไว้แต่เพียงทานี้ขขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี